อนุปัสนาที่เป็นสติปัฏฐานเหล่านี้เนี่ยตัวนี้แหละที่พระองค์ตรักยืนยันว่าเอกายโนายังทิ่เวทางนี้คือทางสายเดียวเส้นเดียวจริงๆนะี่จะถอนฉันราคาจากจากขั่วใครมีวิธีอื่นจากนี้ไหมไม่มีถึงโตสี่สิบมันก็อยู่แนอนิจังทุกขังอน้าตามีอยู่เท่านี้ขยายออกไปแล้วมันเยอะยะกว้างขวางเองแต่ว่าหัวข้อมาหลักๆจริงๆก็อยู่ตรงนี้ ผู้ที่เรียนธรรมะประเภทย่อเป็นขยายเป็นเนี่ยฟังอะไรจะไม่ค่อยหนักใจถ้าย่อไม่เป็นขยายไม่เป็นมันหน้าทุกไปทุกเรื่องฟังแล้วมันมิตกกังวลไปหมดเลยก็นะนได้บุญแล้วที่ได้ฟังนะต้องดีใจว่าอย่างนี้มียองคนหนึ่งก็มานั่งฟังหน้าเครียดเครียดคิ้วมันจะชนกันให้ได้เลยเราก็ <S <S เออเนี่ดีนะที่ได้ฟังได้ฟังเอาบุญบ้างนะสั่งว่าเดี๋ยวนะสิบปีต่อไปนะเราต้องเก่งที่สุดในห้องนั้นอ่ะ ถ้าเราไม่เลิกกันนะมันก็ขอเป็นคนเก่งอีกสิบปีข้างหน้ากันแล้วกันนะตอนนี้ไม่เป็นไรขอท้ายห้องก่อนอนุปัสนาเจตในสติปัฏฐานเหล่านี้เอ่อในธรรมะสองร้อยหนึ่งนี่แหละคือข้อปฏิบัติที่จะออกจากวัฏฏะทีนี้พอเจริญไปแล้วเนี่ยที่จะออกจากวัฏฏะได้จริงเนี่ยจะต้องรู้ฝั่งวัฏตะกับฝั่งวิวัฏฏะมันในข้อสิบหกหน้าสิบสามเป็นต้นเนี่ยนะ ที่กล่าวถึงอุปาท่าปวัตตนิมิตะเป็นตน้นพวกนี้เป็นฝ่ายวัตะอนุปาท่าความไม่เกิดอปวัตะความไม่เป็นไปอันนี้เป็นวิวัตะก็ต้องมาในข้อสิบเจ็ดก็จึงมาแยกดูฝั่งวัตะกับฝั่งวิวัตคิดหรือว่าเราจะเอาอันไหนดีลองดูอทยาศัยทีนี้พอแยกสองส่วนนี้ได้จะรู้ว่าฝั่งวัตตนี้มีทุกฝั่งวิวัตะนี้เป็นสุข เนี่ยก็มาแยกว่าสุขกับทุกข์ดูจะเลือกเอาทุกข์หรือจะเลือกเอาสุขถ้าเจริญอนุปัสนาเจ็ดถอนฉันทราคะในวัตถุเหล่านั้นได้สุขแน่ถ้าถอนไม่ได้ทุกข์แน่นั่นก็ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์มันปลอดภัยหรือมันเป็นภัยเพราะฉนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์นี่แหละเป็นภัยถ้าสิ่งที่เป็นสุขปลอดภัยก็มาดูว่า ถ้าจมอยู่กับกองทุกเนี่ยสารพัดภัยเลยใช่ไหมเพราะมีขันห้านั่นแหละจึงมีภัยถ้าไม่มีขันห้าก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะก็สบายมันก็ไม่ลองแยกช่างดูนะว่าจะเอาภัยหรือจะปลอดภัยนีนะจะเลือกอยู่หรือเลือกไปเสร็จ แ, แล้วก็ดูว่าสิ่งใดที่มีภัยสิ่งนั้นแหละ เ, เป็นเหยื่อของพยามัจจุราชเหยื่อของโลกามิตรวตามิสเนี่ยนะเป็นเหยื่อของโลกเป็นเหยื่อของวัตต์ อันโลกและวัฏะผลก็มาก็คือทุกข์ภัยใช่ไหมที่มันเป็นทุกข์มันเป็นภัยเพราะมันเป็นเหยื่อของอมิตรอหรือมันเป็นเหยื่อนะเครื่องล่อ ก, ก็คือเหยื่อทีนี้ถ้าสิ้นวตะก็ไม่เป็นเหยื่อของอะไรอีกต่อไปอันนนั้นเลิกเป็นเครียกว่าเขาเลิกเป็นเหยื่อเราเราเลิกเป็นเหยื่อเขาสักทีหนึ่งนะทุกข์ภัยก็เลิกเป็นเหยื่อซึ่งกันและกันไปเลยกันนะี่ทำที่สุดแห่งทุกข์ทีนี้พอหลังจากนั้น ก็จะแสดงว่าสังขารสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นมีภัยสิ่งใดมีภัยสิ่งนั้นเป็นเป็นสังขารเออขอไปเป็นเครื่องล่อของมารสิ่งใดเป็นเครื่องล่อของมารสิ่งนั้นเป็นสังขารเนี่ยนะถ้าสิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นปลอดภัยสิ่งใดปลอดภัยสิ่งนั้นไม่มีเครื่องล่อของสังขาร ไม่เป็นเครื่องลอ่อของมารสิ่งใดไม่เป็นเครื่องลอ่อของมารสิ่งนั้นเป็นนิพพานนะก็จะเป็นเขาช่างดูนะ่าระวางฟังวัตตะฟังวิวัตะฟังที่เรียกว่าเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของวัตตะเท่าใดนั่นเรียกว่าอารทีนะวายาณเห็นความสงบของวิวัตะสงบร่มเย็นเพียงใดอันนั้นแหละสันติบทญาณสันติบทญาณ ทีนี้ถ้ารู้ถึงสันติบทยามอย่างนี้ดีเนี่ยนะคนที่ช่างได้อย่างนี้จริงๆก็ต้องเลือกสันติบทละ่ะต้องเลือกสแสวงหาสันติวรบทสแสวงหาอมะตะคืนนิพพานพันถ้าอนุปัสสนาเจ็บเจริญจนบริบูรณ์แยกแยะฝังวัฏฏะกับฝังวิวัฏฏะจิตก็เล่นเกิดอริยมรรคขึ้นมาดูขณะอริยมรรคนะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยจะได้พูดถึงอริยมรรคได้อารมพบดนะมาดูในหน้ายี่สิบสามนะข้อสามสิบ อันนี้พูดถึงขณะอริยมรรคอย่างเดียวผู้ที่มีอัตกถาก็ดูในอัตกะฐานหน้าสามร้อยเจ็ดสิบหกเป็นต้นไปหน้าสามร้อยเจ็ดสิบหกเป็นต้นไปก็ดูอันนี้พูดถึงสภาวะถ้ามรรคเกิดขึ้นเข้าเป็นยังไง น, นะถ้าขณะอริยมรรคถ้าบรรลุมรรคเนี่ยดีไหมนนห เ, เนี่ยนะปรารสนาบรรลุแล้วเกินเนี่ยมันดูสภาวะที่ควรกําหนดในขณะอริยมรรคในนักปริคหะเนี่ย มักเนี่ยกำหนดนะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยกาหนดถือเอาเพื่อเกิดขึ้นถ้าไม่กําหนดนิพานเนี่ยมักจะเกิดได้ไหม<ส wheels>มักเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดนเนี่ยนะปริฆหะเนี่ยนะควรกําหนดเพราะถ้าไม่มีมักเนี่ยกําหนดนิพานไม่ได้แล้ว อ, อะไรมากําหนดนิพานถ้าไม่เอามักมากําหนดนนเนี่ยนะปริฆหะปริฆหะเนี่ยนะแปลว่าถือเอาโดยรอบเนี่ยนะที่เป<ๆ>็นบริวารเพราะขณะมักมีเท่าไหร่มักมีแปด มักแปดเนี่ยเป็นบริวารของกันและกันใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเป็นเป็นประธานเจ็ดที่เหลือก็เป็นบริบริขารเป็นบริวารสมมติสัมมาสังกัปรเป็นหัวหน้าที่เหลือเป็นบริวารฉนั้นทุกอย่างนี่แบ่งกันเป็นหัวหน้าเป็นบริวารฉะ น, นั้นตัวบริวารเนี่ยนะที่เป็นบริวารปริวารโถเนี่ยบริวารของกันและกัน เมื่อไหร่นะสัมมาทิฏฐิของเราจะเป็นบริวารของสัมมาสมาธิเมื่อไหร่สัมมาสมาธิจะเป็นบริวารของสัมมาทิฏฐินะสรุปว่ามรรคแปดเป็นบริวารของกันและกันขณะอริยมรรคเข้าเป็นบริวารของกันและกันปริปุระโธสภาวะที่เต็มรอบขณะมรรคเนี่ยบริบูรณ์ด้วยภาวนามรรคนี่ยเขาเป็นบริบูตเต็มธรรมชาติที่บริบูรณ์จริงๆเพราะถ้าใครถามว่านี่จะภาวนาบริบูรณ์เมื่อไรเนอบอกเมื่อมรรคเกิด ทีนี้มรรคเกิดจะบริบูรณ์ก็ระดับอรหัตมรรคนะนะก็โสดาสกข า, า, า, าคามีอนาคามีและอรหัตมรรคโน่นแหละจึงจะเต็มรอบฟังาะงั้นเนะี่ยบริปรุรัตโถนี่ก็คือบริบูรณ์อ่ะนะเต็มรอบตัวนั้นก็มาจากคําว่าบริบูรณ์สังเกตดูนะเรียนบาลีกับภาษาไทยสลับกันไปอ่ะนะซ้ายเป็นไทยขวาเป็นบาลีก็ดูๆนะสารนั่งจิ้มตั้งนานโอ๊ยกว่าจะหาไสาเอเจอันี่อยู่ตรงไหนนาะตอนนี้มีคนทําให้แล้วสบายแล้วกันเอ ถ้าเชื่อว่าเอกคตาเนี่ยนะสมาธิเอ่อขณะอารยมรคเนี่ยขณะนั้นไม่ฟุ้งซ่านเลยความเป็นอันหนึ่งของจิตเนี่ยขณะอารยมร์นั้นเขาเป็นเอกัคตาเอกคฆ์เนี่ยความเป็นอันเดียวอย่างนั้นเถอะเอกคตาเนี่ยมันเป็นเลิศมันเป็นเอกคตาอันขณะที่อารยมร์กเกิดขึ้นเนี่ยความเป็นหนึ่งไม่ฟุง้งอ่ะแล้วก็ไม่มีความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ขณะอริยมรตมีนิพพานอย่างเดียวใช่ไหมไม่ซ่านไปเดี๋ยวกับเรื่องนั้นทีเรื่องนิดหน่อยไม่ใช่ขณะที่อริยมรคนั้นวิริยะเนี่ยทํากิจประคองไว้แล้วก็สมาธิทําหน้าที่ไม่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่ขุนมัวตัวนั้นเนี่ยอนนาวิระเนี่ยอนนาวิรตโถเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการประกอบความเพียรนั้นผู้ที่มีความเพียรก็จะไม่ขุนมัวขณะอริยมรตจึงไม่ขุนมัว อันินชนะเนี่ยขณะอริยมรร์กเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวไม่กำเริบเนี่ยนะไม่สะเทือนอย่างนั้นเนี่ยขณะที่อริยมร์มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สะเทือนอสภาวะที่ตั้งอยู่ด้วยคมสา ม, มารถความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกคตาเอกคตาที่มั่นคงจริงๆจิตตัวนั้นเนี่ยมั่นคงมากเป็นระดับอัปปนาสมาธิเน่นะขณะอริยมร์นั้นสมาธิเขามั่นคงจริงๆก็อารามณโถเนี่ยนะมีนิพพานเป็นอารมณ์ ขณะที่อริยมรคนั้นเกิดขึ้นยึดนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวไม่สามารถยึดอย่างอื่นได้ก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าอริยมรคนี้คืออะไรคือธรรมชาติที่สแสวงหาพระนิพพานหรือผู้ต้องการพระนิพพานต้องเจริญมรคนั้ขนขณะที่มรคเกิดนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณะเนี่ยอารมณโธเนี่ยสภาวะที่เป็นโคจรคือเที่ยวไปตามความชอบใจในอารมณ์คือนิพพานโคจรโคจ ร, จรเนี่ยนะเที่ยวไปในนิพพาน สภาพที่นิสระณะประหารเนี่ยสภาพที่ละละเนี่ยมันเป็นการละแบบตัวมรรคจริงๆนั้นเป็นเป็นอะไรตัวมรรคนี้เป็นสมุเทเฉทประหารแต่ที่เรียกว่าละเพราะเนื่องจากที่ตรงนั้นวงเล็บว่านิสรณะประหารหมายถึงสลัดโดยการเล่นไปเล่นไปสู่พระนิพพานเพราะขณะอริยมรรคนี้เกิดขึ้นเล่นไปสู่พระนิพพานเล่นไปสู่พระนิพพานนะวัน เล่นสู่สภาวะของนิพพานอันนี้คือคือแหละท่านจะทธิบายว่าในโลกของการตรัสรู้อรยิยมรรคนี่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็โคจรโดยสับแล้วว่าเที่ยวท่องเที่ยวไปนะแต่เดี๋ยวเราไปคิดว่าไอ้นิพพานเป็นยังไงนึกไม่ถูกหรอกเพอนึกเดาไม่ถูกหรอกเนี่ยนให้รู้ว่านิพพานเนี่ยเป็นที่เที่ยวของอรยิยมรรคก็แล้วกันว่านิมรรคเนี่ยทเที่ยวไปในนิพพานแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ดังที่ได้กล่าวบ่อยๆมากว่านิพพานคืออะไรจักขูนิโรธโสตนิโรธคานานิโร ธ, นนโรธชิวหานิโรธกายานิโรธมโนนิโรธนึกไปนึกมาเดี๋ยว ห, و, หูณที่นั้นนะมีนางสาวสวรรค์นี่ก็ไม่ใช่แล้วไปรอให้คนมาบีบมาโนดที่นันเหน็บไม่ได้นะแสดงว่าเอากายไปอีกกันนะไม่ใช่ังอยากได้ดอกไม้สวยอีกอ น, นี้ก็ไม่ใช่ ก, กันนะไม่ใช่ละมันที่ดับตาหูจมูกลิ้นตายใจเหมือนกัน ปริจาคคโถบริจาคเนี่ยนะขณะอริยมรรคเกิดขึ้นนี้เป็นมหาบริจาคเลยใช่ไหมอันนี้จึงจะเป็นการบริจาคที่แท้จริงเพราะบริจาคอะไรบริจาคสมุทัยบริจาคกิเลสสละกิเลสโดยสมุดเฉทะปะหานที่ตรงปะหานะปะหานะที่อธิบายเป็นสาระเนื่องจากวัลเล่นไปสู่พระนิพพานที่เรียกว่าปริจาคคะตัวนั้นเนี่ยอธิบายเป็นสมุดเฉทะปะหานขันข้างบนเนี่ยเป็นตักขันธะเนี่ยนะข้างล่างเป็นปริจาคะ ขณะอริยมรรคเกิดขึ้นนั้นจึงเล่นไปสู่สภาวะคือนิพพานแล้วก็มุ่งบริจาคสละตันหาออกแต่ว่าในหน้าอัตตกทานหน้า278ร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะกลางกลางกลางหน้าเห็นไหมโคจะรัโถตัวนั้นแปลไม่ถูกสองร้อยเจ็ดสิแดนะกลางหน้าโคจะรัโถตัวนั้นสภาพแห่งธรรมะ เป็นโคจรเพราะเที่ยวไปในความอยากอันนี้ไม่ใช่หมายคือว่าตามความชอบใจในอารมณ์คือนิพพานเที่ยวไปตามความชอบใจในอารมณ์คือนิพพานเนี่ยนะแกเป็นว่าเที่ยวไปตามความชอบใจในอารมณ์คือนิพพานส่วนข้างล่างต่อไปอีกนะคำว่าวุฐานัทโหนี่สภาพแห่งธรรมะที่ออกอันนั้นหมายถึงออกโดยส่วนสองออกจากความชั่วร้ายตัวนั้นเขาแปลผิด แปลว่าออกโดยส่วนสองคือออกจากนิมิตและปะวตตะออกโดยส่วนสองนะวุฒานะเนี่ยอันคำว่าวุฒานะสภาพที่ออกออกโดยส่วนสองคือออกจากสังขาร น, นิมิตและปะวตตะออกจากสังขาร น, นิมิตก็เนื่องจากว่าอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์และออกอปวตตะก็คืออั น, น, นออกจากวิบากและกรรมชภออกจากสมุทัยนั่นเอง ก็ถ้าถ้าไม่ลืมนะตอนที่เราเรียนโคตรภูยานใช่ไหมเนี่ยมาดูลองเปิดคลิกกลับไปดูหน้าหกสิบแปดหน้าหกสิบแปดนะในเล่มนั้นานะหน้าหกสิบแปดนะโคตรภูนี่ออกได้โดยส่วนเดียวใช่ไหมเพราะโคตรภูยามีอะไรเป็นอารมณ์โคตรภูยามีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นโคตรภูออกได้อย่างเดียวคือออกจาก สังขารนิมิตเนี่ยในหน้าหกสิบแปดนะส่วนหน้าเจ็ดสิบนี้อริยมรรคออกโดยส่วนสองคือหลีกออกจากขันและนิมิต น, นะหลีกออกจากขันและนิมิตเนี่ยอุพโตตัวนั้นเนี่ยแปลว่าโดยส่วนสองหมายถึงหลีกจากขันและนิมิตนีนะหรือหลีกออกจากวัตตนนั่นเองนั้นในขณะอริยมรรคนั้นอในหน้า หนึ่ง้อยเจ็สิแดจึงแปลผิดที่ว่าวุธฐานะโตก็คือออกจากความชั่วร้ายตัวนั้นเนี่ยแปลแปลไม่ดีทุกตัวนั้นแปลว่าสองนะไม่ได้แปลว่าชั่วกันสภาวะที่ออกหมายถึงออกโดยส่วนสองนะเพราะขณะอริยมรรคออกส่วนสองไหออกจากสังขารนิมิตอย่างหนึ่งกับออกจากอะไรออกจากประวัตคือความเป็นไปในวัตถะ